อีกคนนึ่งนะอายุ ป, ประมาณสัก30มสกว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกไม่อยากตื่นเลยไม่อยากลุกจากเตียงแล้วก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากจะทำอะไรสักอย่างอยากอย่างเดียวนะคืออยากร้องไห้แล้วก็เป็นเช่นนี้เนี่ยต่อเนื่องนะมาเป็นเดือนเลยคือรู้สึกว่าหมดไฟนะ คือจริงก็เรียกว่าหมดกาลังใจในการที่จะมีชีวิตด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าตัวเองไี่ผิดปกติไปหาหมอหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าโอ้ก็เสียใจมากเลยนะไม่คิดว่าตัวเองนี่จะมีอาการหนักขนาดนั้นเรียกว่าใจสลายเลยนร้องไห้ขณะที่เดิอนออกมาจากห้องตรวจเนี่ย ก็ไปเงยหน้าเห็นคนแก่จำนวนมากเลยนะยืนหรือนั่งรอรอใครรอหมออ ต, ตอนนั้นเป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ยนะกำลังเศร้าโศกเสียใจนะแต่พอมองเห็นคนแก่เหล่านี้เนี่ยล้ว ก, ก็สังเกตว่าคนแก่เม่จะเป็น คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณยายวันนี้มาคนเดียวไม่มีลูกหลานมาเป็นเพื่อนก็เลยเกิดความสงสารขึ้นมาเลยเกิดความคิดว่าทำไมไม่มีใครพาคนแก่เหล่านี้มาโรงพยา บ, บาลเลยลูกหลานหายไปไหน ตัวเองนี่กำลังเศร้าอยู่เลยนะแต่พอเจอคนที่ทุกข์กว่านี่เรียกว่าใจนี่มันเปลี่ยนอารมณ์เลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนะเพื่อช่วยเหลือคนแก่เหล่านี้ก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราเนี่ย มาช่วยคนแก่เห่านี้เนี่ยขับรถพาเข้ามาส่งโรงพยาบาลเป็นเพื่อนเขาในขณะที่เขารอหาหมอหรือเป็นเพื่อนขณะที่หมอกำลังวินิจฉัยให้ยาก็คงดีนะพอมีความคิดแบบนี้เนี่ยใจมันก็ไป จดจ่ออยู่กับเรื่องนี้แล้วบอกว่าเธอก็ไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวนะทำด้วยนะตัดสินใจลอกจากงานแล้วก็มาทำงานนี้แต่ก่อนที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ต้องคิดนะว่าต้องทำอะไรบ้างหนึ 1, 2, ่งสองสามบอกว่ามันช่วยทำให้เธอเนี่ย ลืมนะลืมความทุกข์ลืมอาการซึมเศร้าของตัวเองไปเลยเพราะว่าจะเรียกว่าใจเนี่ยนะมันไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใหม่เรื่องที่สำคัญและสุดท้ายเธอก็หลอกจากงานนะมาเป็นมาทำอาชีพใหม่ขับรถนะพาคนแก่ไปส่งโรงพยาบาล ไปเป็นเพื่อนขณะที่รอหมอเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งนี่ผู้ป่วยนี่ต้องรอนานนะบางทีไปเข้าคิวงแต่ตีห้ารับบัตรคิวกว่าได้ตรวจนี่ก็แปดเก้าโมงหรือสายกว่า น, นั้นบอกว่าการทำาชีพไมื่อแก ก, ก็มีความสุขนะไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ย มันหายไปเลยที่แรกเนี่ยหายไปเพราะว่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากก็คือการพาคนแก่นะไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นงานที่เธอไม่เคยทำมันมีรายละเอียดเยอะถ้าจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะเธอตั้งใจว่าจะไม่ได้ทำเพียงแค่เป็นจิตอาสานะแต่ว่า ทำแบบรับจ้างเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทําให้รัดกุมทีนี้ที่ว่าต้องมีแอปด้วยนะต้องทําแอปเพื่อที่จะรายงานคนที่ว่าจ้างอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของผู้ป่วยนะว่าตอนนี้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ถึงโรงพยาบาลหรือ ย, ยัง ตอนนี้กำลังรอรับยาตอนนี้กำลังพากลับบ้านเนี่ยมันต้องมีการแจ้งผ่านแอปคล้ายๆกับแอปของพวกแท็กซี่เนี่ยพวกกรับเนี่ยหรือว่าพวก l i v ิเวอรี่เนียนี้ก็จะมีการแจ้งรายละเอียดนะว่ารถที่สั่งนี่ถึงไหนแล้ว หรือว่านั่งรถไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงไหนแล้วของที่สั่งตอนนี้ออกจากร้านแล้วกำลังจะมาถึงบ้านแล้วเนี่ยนี่้าทำเป็นอาชีพต้องทำขนาดนี้ล้าพอเธอมาสดจอดใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ลืมนะลืมความเศร้าลืมที่จะจมดิ่งอยู่ในความซึมเศร้าความทุกข์รวมทั้งลืมเรื่องราวที่ทำให้ซึมเศร้าด้วย ที่แรกเป็นอย่างนั้นแล้วตอนหลังพอทําแล้วมันมีความสุขนะความสุขที่ได้บริการคนแก่นะเพราะว่าเธอเรียกว่าทำด้วยใจนะแต่ว่าจะอยู่ได้นานนี่มันก็ต้องมีเงินทุนสนับสนุนก็อาศัยค่าจ้างก็เลยต้องทำเป็นการนะรับจ้างไปงั้นะเธอก็ ยอมรับนะว่าเนี่ยเราเป็นลูกรับจ้างนะเป็นลูกรับจ้างรับจ้างเขาแต่ว่าทำแล้วมีความสุขก็ เ, เรียกว่าหายซึมเศร้าแล้วตัวรังกิจการก็ขยายไปนะกิจการก็ขยายตอนนี้ก็มีคนมาเป็นคนที่ร่วมนะเป็นลูกน้องนี่หลายคน อันนี้เรียกว่าเป็นการประสานนะระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือว่าช่วยเหลือคนแก่ให้เขามีเพื่อนมีคนคอยแนะนําบางทีหมอสั่งยาแล้วหรือหมอแนะนําแล้วคนไข้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสับแสงภาษาฝรั่งคนที่นั่งอยู่ด้วยก็กช่วยแนะนําอันนี้จะเป็นประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือว่าเป็นอาชีพ มันไม่ใช่แค่มีความสุขแบบจิตอาสาแต่ว่ามีอาชีพที่ทำให้ทได้ต่อเนื่องเป็นทั้งอาชีพและงานบริการในสมัยนี้มันต้องถ้าจะทำอะไรเนี่ยมันต้องถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมได้นะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหลายคนมีอาชีพนะได้ประโยชน์ตนก็จึงมีไรายได้นะแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์ท่านบางคนทำงานเนี่ยเกิดประโยชน์ท่านแต่ว่า ทำได้ไม่ยั่งยืนเพราะว่าไม่มีรายได้ประโยชน์ตนอย่างหนึ่งอย่างเดียวที่จะได้คือความสุขซึ่งก็มีคุณค่านะแต่ถ้าทําได้นานเนี่ยนะมันก็ต้องมีรายได้มาช่วยจุนเจือหล่อเลี้ยงในสมัยนี้เนี่ยนะถ้าหาว่าเราทํางานเนี่ยแล้วเราเห็นนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะไม่จะทําทงานออฟฟิศ แต่ว่าถ้าเห็นว่ามันให้ท่องประโยชน์ตนด้วยมีรายได้เลี้ยงครอบครัวละเป็นประโยชน์ท่านช่วยเหลือสังคมมันก็ทําให้มีความสุขรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายไม่ใช่ตื่นมาวันวันหนึ่งก็เบื่อไม่อยากทํางานเพราะไม่เห็นคุณค่าแล้วก็พ่อยรู้สึกว่าชีวิ ต, ตวเอง ม, มีคุณค่าด้วยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะถ้าคนเราเนี่ยทำงานแล้วงานนี่มันมาเติมคุณค่าให้กับชีวิตจิตใจเนี่ยมันจะทําได้นานและมีความสุข แล้วมัก็ช่วยปัดเป่าความเครียดความซึมเศร้าที่เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นมากใ น, ในผู้คนเพราะเขาไม่รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายที่คิดอย่างนั้นเพราะว่าหรือรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่างานที่ทำนี่ก็ไม่เห็นคุณค่าด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องตนะ่างว่าสามารถจะทําให้งานที่ตัวเองทำนี่มันมีคุณค่าขึ้นมาทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนยทํา ง, งานก็มีความสุขนะไม่เครียดง่ายๆนะใจไม่สลายง่ายๆ